วันนี้ก็นำทางัดจะมีธรรมเทศจตไดมีกิจกรรมก็ใไปดูดูวิวธิทัศนะดอสื่ออาจารย์ํางคนที่ต้นพิพิธภัณฑ์อาจารย์ํง า, างคนนะนที่อะไรเฮานะประภาคารแหล่งะว่ า, ทางทั้งธรรมนยอาจารย์คนเียบเหมือน แสงสวาง่างทางธรรมนะมีคนที่มหาอาจารย์เพราะว่าประกายธรรมะเนาะส่องสว่างไนงะทั้งใบหน้าทั้งคำพูดทั้ ง, ท, งทุกสิ่งทุกอย่างสนะ่องสว่างไปไกลนถึงเมืองจีนถึงญี่ปุ่นมากันเนยอะมากันหลายคนนะเพาจริงๆนะ ชีวิตรเรามองเห็นประพาทานแล้วหรอยังเห็นฝั่งแล้วหรือยังเห็นฝั่งชีวิตเหมือนเราเป็นควากอยู่คลางมหาสมุดนะไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีชีวิตไปเพื่ออะไรกอนเกิดมามันทีก็ไดินทางเดินเองอ ต้ตอนเป็นเด็กบาทีเราก็เวลาครูถามเนอะว่าเกิดมาอยากเป็นอะไรเกิดมาอยากทำอะไรส่วนใหญ่ที่ตอบตอบ เ, เป็นอาชีพเนอะ <c oughs> เป็นอาชีพอะไรแต่พอเอาเจริงพอโยงมีอาชีพแล้วรู้สึกพอใจแค่อาชีพที่ได้ทำไหม <c oughs> ไม่ไม่แค่นั้นนะักใช่ไพอบ มันก็จะรู้สึกว่าตอาเป็นเด็กเราก็เหมือนอืมอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นะบางคนก็ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างที่ที่ที่คาดหวังบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังแต่ก็เป็นอย่าง อ, างอื่นที่ก็ก็โอเคนะใช่อืมแต่พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเรารู้สึกไหมว่ามันมันก็ยังมีสิ่งที่เรา อยากจะทำมากกว่า น, นั้นหรือว่ามันก็ยังไม่เต็มสักทีชีวิตเราเนะี่ยชีวิตเราจะมีอะไรที่จะเป็นความสุขของชีวิตเราหรือว่าอะไรที่จะเป็นเป็นเป้าหมายนะในชีวิตที่เหลืออยู่หรืออะไรจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะในเวลาที่เหลืออยู่อไม่มากนักนกี้เนาะก็ลองทำตัวเองเลย มีมี่นหนึ่งนะเขามีคนป่วยคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นระยะสุดท้ายแล้วระยะที่สี่ก็ไม่รู้ว่าหมอจะผ่าตัดได้หรือเปล่าเขาพูดประมาณนี้นะแต่เขามีความฝันเน่นึงเขาบอกเขาเขาอยากจะ ประกวดร้องเพลงในรายการล้องเพลงเห็นมั้ยในประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็มาพูดประมาณว่าเป็นเวทีแรกแล้วก็อาจจะเป็นเวทีสุดท้ายเนะพราะว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาก็อยากจะร้องเพลงเพราะเขาคิดว่าคือมะเร็งนะมันมันอยู่ได้กับความสุขนะ มะเดงมันชอบความสุขไม่ใช่คนเราอะมะเดงมันชอบความทุกข์แต่มะเดงมันไม่ค่อยชอบความสุขเขามีความสุขถ้าเขาได้ร้องเพลงเหมือนเป็นเป็นยาบําบัดในโลกของเขาด้วยนะหมอก็คืณแยาคําละเป็นที่เลยเนะ่ะหมออนุญาตนะมะเดงมันไม่ชอบความสุขนะแต่ชีวิตเราชอบความสุขนะ เขาก็คนพบกว่าความสุดของเขาคือการร้องเพลงไม่ได้หวังว่าจะชนะ ห, หรือเปล่าแต่แต่เขาอยากจะร้องเพลงที่เขามีความสุดเขาก็ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งแต่ก็ความหมายในในเนื้อเพลงดีมากมมาเหมือนประมาณว่าเหมือนคล้ายๆว่ามีมีเธอสักคนที่มาช่วยทำให้ชีวิตเขา ลุกขึ้นได้เวลาที่ท้อแท้อะไรประมาณนะี้ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นได้ในยามที่เขาอ่อนแออะไรประมาณนะั้นคือเขาก็คงล้องจากความรู้สึกของเขาจริงๆเวลาเขาเป็นโรค ก, ก็คงเหนื่อยนะคือมีความทุกข์ก็มีเพราะว่าเธอนะไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครหรือหมายถึงอะไรนะแต่ก็คือว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตได้นะ เป็นความสุขในชีวิตหนึ่งที่ที่เขาอยากจะทํานะก่อนที่เขาจะเสียซึ่งมันก็อเป็นสิ่งที่ก็น่าสนใจอย่างนึง น, นะคือเขาก็คิดว่าสิ่งใดที่เขามีความสุขเขาก็อยากจะทํานะเพราะว่าเวลาในชีวิตก็เหลือน้อยแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ก็น่าสนใจนะแล้วก็เมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยก็อย่างที่เล่าว่าได้ไปเยี่ยมหลายเคสมากนะจะมีเคสหนึ่งประทับใจตอนแรกก็เฉยๆแบบประมาณว่าอืตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้คนระับแพยาบาลเขาก็ารายงานเนี่ยเคสนี้เป็นอะไรย่อๆให้ฟังแต่จะลืมหรือว่าเคสนี้เขาป่วเป็นอะไรแต่จำได้ว่าอยู่ห้องพิเศษนะที่หนึ่งก็ มีลูกสาวมีภรรยาป่วยเป็นผู้ชายสูงวัยละตอนนั้นน่าจะประมา80ปีขนอนอยู่บนเตียงก็พอพูดได้บ้างนิดหน่อยแต่ก็ดูดูอ่อนแรงจำไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรก็คุยกับคนไข้สักพักหนึ่งก็ดูคนไข้เขาดีเหนื่อยก็ไม่ได้คุยมากแต่ลูกสาวก็ เคยเป็นพยาบาลเก่าก็แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นพยาบาลแล้วก็มาพูดด้วยเย็ดหน่อยนะก็พูดค่อนข้างเยอะแหละพูดเย็ดก็อาจจะมา <c oughs> ก็พูดประมาณว่าเนี่ยพยายามจะให้พ่อฟังธรรมะพ่อก็ไม่ค่อยฟังนะพยายามจะให้พ่อสวดมนต์พ่อก็ไม่คยสวดนะพยายามให้แม่ทําด้วยแม่ก็ไม่ค่อยชอบแม่ชอบดูอทีวี TV มากกว่านะก็พูดประมาณว่า เขาเสนใจธรรมะเขาชอบธรรมะก็พูดไปว่าอาจารย์ที่เขาเสนใจสื่ออาจารย์ของเขามีใครบ้างตอนอย่างไรบ้านเคยไปทําบุญที่นั่นที่นี่อย่างไรบ้างแล้วก็พูดไปพ่อแม่ไม่ค่อยสนใจย <c oughs> พยายามจะให้เขาเสนใจไปเพราะว่าเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชีวิตเขาแต่ก็รู้สึกว่าบางทีเป็นบังคับพ่อแม่มากก็มีปัญหากัน ก็ต้องระวังนะบางทีลูกที่สนใจธรรมะมากมากนะอยากให้พ่อแม่เข้าใจธรรมะตามหรือสนใจธรรมะตามบางทีก็เหมือนไปบังคับนะเป็นบังคับมากลูกก็เริ่มรู้ตัวรู้ตัวเองบังคับมากไปก็คงมาก็บอกว่าก็จะ่าไปบังคับมากนะเอาเขาต่อเขาค่อยๆปรึกันเอาเอาพอประมาณนะ ก็คุยไปเส้นใหญ่ลูกสาวก็ปุยเยสเดินมาก็ปุีก็ฟังเป็นเงินใหญ่แต่ก็มีตอนในท้ายก่อนจะออกก็เลยเขาจะอยากพูดกับคนป่วยนะเขาพูดกับกับคุณยายนะที่ดูแลคุณตาด้วยนะก็พอเห็นลูกสาวก็พูดเยสก็เลยคันกลับมาพูดกับคุณตากับคุณยายวะอืมอืมคุณตาอะไรเงี้ยก็บคุณยาย บางวันก็ตรวจมลต้นหน่อยน้อยอะไรนะทันเช้าทันเย็นเท่าที่แม่แรงตรวจได้ก็ฝุยประมาณนั้นแล้วก็ฝึกคุณยายว่า ม, นะมี่คุณยายนะบางทีคุณยายอยู่ตับตานะบางทีตาเขาเขาปวดมากมากนะคุณยายแค่เอามือไปจับมือคุณตาแล้วก็เหมือนไปใช้อยู่ข้า่าให้กําลังใจคุณตาเวลาคุณตาปวดมากๆเลยแหละ คุณตาเขาก็จะใช้แ บ, บ่งเบาความทุกข์จากคุณตาออกไปบ้างนั่นเองะตาหน้าที่นอนฟังตอนมาก็คุยคุณตาเมื่ตอนแม่แล้วก็หลายนาทีเนี่ยก็ลูกสาวคุยฮคุยนั่นนึงเหมือนคุณตาเหมือนเหมือ น, นไม่เหมือนมอ น, นเฉยๆไม่สนใจไม่มปฏิกิริยาเลยนะแต่พอมาพูดถึงตอนวันี่ยยายสามารถเอา ใช้มาจับมือพืนตาได้นะเวลาที่พืนตามีความทุกข์ข่วนมากๆเนี่ยนะพืนตานะยื่นมือออกข้างข้ามเนะยื่นไปหายายนะ่ะอออพตายื่นออกไปนะยายน้ำตาไหลนะอืมน้ำตาไหลแบบอืมตอนนั้นพอ ต, ตาตื่นไปมองเห็นไหมเนี่ยเป็นยายเนี่ยพื้นตาเขาต้องาการกำลังใจจากยายนั้นเนี่ยจับมือตาหน่อย ยายร้องไห้จำนนไม่ไว้ตอนหลังพักๆลูกสาวก็บอกวเนี่ยแม่ชอบตีพ่อเวลาพ่อคล้อ่ๆปวดแล้วก็นอนไม่หลับอคล้ใช้นอนไม่หลับก็อาจจะโวยวายอาจจะเรียกร้องนะแม่ก็ชอบไปตีพ่อประมาเนี้ยทํา ไ, ทไมเสียงดังโวยวายประมาณนี้คงประเด็นเนี่ยทําให้คุณยายหน้าตาไหลว่าอืม เราไม่ได้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์จากคุณตาแต่เราไปซ้ำเติมคุณตานะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่รักกันแต่เป็นแ ว, ว่าความอุหงูิตเนาะหุนหะิดอาจจะด้วยความแก่ทำให้เพียเวลาลงคืนนอนไม่ค่อยได้อนนะไรเงะป่วยวายเอาแต่ใจอะเี้ยนนะก็คนดูแลก็อาจจะหุนหิด แต่จริงก็มันก็อยากให้เขาทํำนะว่าคนตาคนป่วยมีความทุกข์พี่จริงสิ่งที่เขาต้องการแต่จจะไม่ต้องการธรรมะแบบก็มีคนมาสอนนะต้องให้ปล่อยวางได้เลยนะแต่บางทีบางคนเขาต้องการแก่แค่มือจากคนที่เขารักนะค่อยจับเขาเนะีหรือว่าเนะี่ คอยรับรู้ว่าเขามีความทุกข์แล้วก็มีคนที่ที่อยู่กับเขาอยู่ข้างเขาเนี่ยน ะ, ะร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาหลายสิบปีแล้วก็ไม่หนีไปไหนมาว่าคือเขาต้องการแค่แมกมารู้สุขุนตาต้องการแค่เงินส่วนธรรมะเองคุณตาก็คงไม่ได้ปฏิเสธแต่อาจจะไมไ่ต้องการแบบมากๆเป็นที่แต่ต้องการเนะี่ยคนเข้าใจคนแบ่งเบาความทุกข์ในใจ <c oughs> ส่วนั้งควมทุกทงกายด้วยเนะี่ยเออหรือว้าเห็นเคสนี้ก็ก็รู้สึกประทับใจที่ที่อย่างมรก็ได้ได้แนะนำนะแนะนาคุณยายให้ให้กังใจคุณตา <c oughs> <c oughs> คุณตาจะจัดท่าทีที่แบบไม่เหมือนไม่เหมือนไม่สนใจนะาตาแกไม่ค่อยพูดอะไรแต่แกฟังทหอกอย่ตลอดเวลาเลย <c oughs> พอพูดถึงประเด็นนี้ยื่นมือสันทีนะ <c oughs> ก็เป็นเคตี่น่าประทับใจเคสนี้ก็สรุปก็ประมาณว่าสิ่งที่คนตาต้องการรู้สึกต้องการแค่คนเข้าใจนะเพื่อบรรเทาความทุกข์กายทุกใจบ้างอันนี้ก็เป็นเป็นชีวิตหนึ่งนะที่เขาต้องการที่จะทุกข์น้อยลงนะจากเวทนาทางกายหรือเวทนาทางใจด้วย อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างอันนึ่งนะแต่คที น, นี้เราเราไปดูนะไปดูอาจารย์บางคนนะที่ท่านก็อรู้ตัวว่าเหมือนใกล้จะใกล้จ็ะตายใกล้จะเสียแล้วแต่คนที่เขาฝึกจิตมาดีแล้วอ่ะมาว่ามันก็ต่างจากเคสที่ไม่ค่อยได้ฝึกจิตนะเนี่ยเคสที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกก็อาจจะต้องอาศัย คนช่วยเยอะต้องอาศัยสิ่งแลดรอบต่างๆอะไรอย่างเพื่อช่วยแต่คนที่ฝึกจิตดีเนีย่ยเช่นอาจารย์กัมพลก็ดีหรือว่าหลงพ่อคนเขียนอดีที่อาจารยเคได้ดูแ ล, แลกับอระจันตุ้มก็เห็นหว่าคือเราเราก็ช่วยท่านแต่ทางร่างกายคนนึงในเรื่องจิตใจเนี่ยคือไม่จงเป็นเนี่ยไม่ คือมีแต่ท่านช่วยเรา <c oughs> มีแต่ท่านช่วยคนรอบๆข้างนะทั้งอาจารย์มรพลก็ดีหรือแม้แต่หลวงพ่อคำเขียนก็ดีนะ <c oughs> สิ่งที่ท่านฝึกขัดมานเนี่ยมันใช้ได้นะ <c oughs> ทั้งตอนที่สบายดีแล้วก็ตอนที่ป่วยหนักนะ <c oughs> ใช้ได้จะน่าตื่นตอนตายจริงๆมันใช้ได้จริงๆซึ่งมาว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันมันชัดเจนนะมันชัดเจนว่าตัวอย่างคนที่ฝึกจิตดีแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ได้จริงๆนะแล้วก็คนรอบข้างเองก็ได้อนิสสมเยอนะนมาเห็นอย่างตอนที่อาจารย์กระพลเสียพ่อชันเองก่อนจะเสียก็มีมีวิกฤตที่ทำให้รับรู้ได้ชัดนะมีคนจีนมีคนไทยไปอยู่ที่บ้านตอนที่ชมลม ที่อดุลนามดีเน่ยร้ายคนะนะบรรยากาศแต่ตอนวันที่22เมษายนจนถึงเช้า23เมษายนเนี่ยบรรยากาศก็คือเป็นนั่งปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> ไปวางจีงกับจีนกระล้องเพลงมากมันก็มีอืไปจับมือไปงั่นไปนี่น่นนะอืมคนที่ร้องให้ใจริงมีน้อยมากนะเป็นเฉพาะไปนั่งปฏิบัติธรรม ไปเมันสอนอาจารย์เนาะอาจารย์บางคนบอกว่าความตายเป็นวิชาสุดท้ายของชีวิตนะอื<ม>แต่มาก็เชื่อว่าอางอาจารย์บางคนเองก็ดีหลงพ่อคงเกียรตองก็ดีนะวิชาความตายเนี่ยสอบจบก่อนตายคือ <c ười> <c ười> สอบผ่านก่อนลนะเนี่สอบผ่านมาลนะเนี่ยเหมือนที่ใครตอนตายจริงเหมือนนับใบประกาศ <c ười> ได้พัก ได้พักจริงๆนะเพราก่อนตายก็ยังก็เหนื่อยเหนื่อยในการพูดคุยสอนทำ ม, มากพูดคุยรับฟังปัญหาหรือว่านั่นนี่หลายอย่างนะร่างกายก็ต้องเหนื่อยเพยราะโรคภัยไข้เจ็บนะคือทําใจเนะี่ยเหมือนสอบผ่านแนละ้เรียนจบแล้วแต่พอตอนตายจริงๆเนี่ยเหมือนรับปริญญาเป็น พิธีกรรมว่ า, วาจบแล้ ว, <c oughs> วจบแล้วเฉยๆนะก็คือจบงานทางกายเนะี่ยแต่งานทางใจเนะี่ยจบไปก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ที่มันก็มีค่ามากมากนะนะัก็อยากให้พวกเราได้ได้ไปดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนกันอะไรยังไงก็เราค่อยพูดปทีนึงนะก็คํานนี้ก็พูดเป็นแค่ น, นี้ก่อน